นี่ต่อไปนะในมัคคะสูตรนะในข้อ1น3ากล่าวว่าจิงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอาหารหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมะอย่างหนึ่งได้ เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอนาคามีธรรมะอย่างหนึ่งเป็นไนะดูความพิสูจท Jedi, ั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมะอย่างหนึ่งคือมัคคะได้เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอนาคามีนะครับมัคคะก็คือลบหลู่คุณท่านนะนะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพะสูจน์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า ชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายรู้ชัดด้วยดีซึ่งมรรคะอันเป็นเหตุให้สัตว์ผู้ลบลูไปสู่ทุกคติแล้วละได้ครั้นละได้แล้วย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในการไหนในการลบหลูคุณของคนอื่นก็ย ก, ยกตัวอย่างที่หยาบหนักหนาสาหัสหก็เหมือนกับพระโกกาลิกะนะครับที่ลบลูดูหมิ่นภาษารีบุตรกับพระมหาโมคคลานะนะครับอันนั้นเป็น ถึงกับล่วงมาเป็นวจีกรรมที่หนักหนาสาหัสนะครับก็ตกในปุมนรกก็ไม่รู้กี่พันกี่ล้านปีนะครับฟังรูปมาแล้วก็เข้าใจา ย, ยากแต่รู้ว่ามันนานจริงๆนะครับน่าจะเกินพุทธันดรด้วยซ้ำไปนะครับตกเนะ่ในมัคูตรอัตถกถาอธิบายว่าบทว่ามัคขังได้แก่ลบหลูคุณท่านนะครับ จึงอยู่พีว่าคนลบหลู่นั้นเหมือนจับคู่แล้วประหารผู้อื่นกายของตนย่อมเปื้อนก่อนทีเดียวแม้ดังนั้นท่านก็กล่าวว่าเป็นผู้มักลบหลู่คุณผู้อื่นเพราะการทำเช่นนั้นโดยประสงค์จะลบหลู่คุณของผู้อื่นนะครับคือหมายว่าอยากจะเอาอุจจาระเนี่ยนะไปป้ายคนอื่นให้คนอื่นมันเหม็นไปให้หมดเลยนะไม่มีใครดีสักคนอะไรคล้ายๆแบบนี้นะครับ เป็นความจริงว่าคนลบหลู่นั้นย่อมลบหลู่คือล้างคุณของผู้อื่นให้พินาศไปดุดผ้าเช็ดน้ำผ้าเช็ดน้ำหรือผ้าซับน้ำออกกันนะเขามีคุณตรงไหนก็ไปซับออกให้หมด น, นะให้เหลือแต่ความชั่วร้ายของเขาอะ น, นะหรือว่าเช็ดน้ำที่ติดตัวของผู้อาบน้ำเฉะนั้นจริงอยู่ท่านกล่าวว่ามรโคผู้ลบหลู่คุณท่านเพราะทาลายกําจัด ส ก, การะอันใหญ่ซึ่งเป็นที่ปรากฏแก่ชนเราอื่นนะครับเมื่อไปดูมินเหยียบยามเป็นต้นเนี่ยนะหรือที่เรียกว่าป้ายสีให้เขาอ่ะนะถ้าไปป้ายสีแล้วเขาก็จะเสียหายเสื่อมเสียใช่ไหมครับคนที่ลบหลู่คุณคนอื่นก็จะลักษณะนั้นนะครก็จะป้ายสีที่น่าเกลียดไปให้คนอื่นเนี่ยนะเรียกว่าพวกมักป้ายสีทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับเพิ่งเห็นว่าคนลบหลู่นั้นมีการลบล้างคุณของผู้อื่นเป็นลักษณะเหมงอนกันเถอะ น, นะคุณที่เขามีอยู่ก็ไม่เห็นว่ามันมีนะครับดูหมิ่นเลยนะครับนึกตหนิเลยมีการทําให้คนทั้งหลายพิ่นาฏเป็นกิจจรถนะครับหน้าที่ของเขาเนี่ยนะก็คือมีการทําคนนั้นนั้นให้พินาฏจากคุณความดีนะครับจริงๆเขาก็มีคุณความดีมากมายแต่ก็มองไม่เห็นนึกไม่ออกอนะก็ไปดึงเอาเฉพาะ้ส่วนที่ชั่วชา้าเลวซ้ําชั่วร้ายมานะครับ มีการปกปิดคุณของเขาเป็นอาการปรากฏนะนะส่วนเลวมีนิดหน่อยก็เปิดมาหมดแหละส่วนที่ดีนี่นะครับก็ปิดไว้ให้หมดนะนะแต่โดยใจความเพิ่งเห็นว่าคนลบหลูเป็นผู้มีจิตตบบาทสหรคตด้วยโทมนั์เป็นไปโดยอาการลบล้างคุณของผู้อื่น ให้รู้ว่าตรงกันข้ามกับมุทิตานะครับตรงกันข้ามกับมุทิตาทามุทิตาก็จะชื่นชมยินดีในคุณที่เขามีอยู่นะในความดีที่เขามีอยู่นะมุทิตาหรืออนุโมทนาก็จะเป็นลักษณะนั้นนะส่วนโทสะที่เป็นไปกับลบหลูคุณของคนอื่นก็จะลักษณะที่ว่าไอ้คุณความดีมองไม่เห็นเลยนะความชั่วแม้นิดๆหน่อยๆก็แหมมันอยู่ในความทรงจาเหลือเกินลักษณะนี้แหละ บทว่าประชาหะเนี่ยนะครับอธิบายว่าเธอทั้งหลายจงพิจารณาโทษมีประเภทดังกล่าวแล้วในมขานั้นและโทษมีในดังกล่าวแล้วในโทสะนะครับก็คือให้ไปเทียบกับโทสะเอานั่นเองนะครับแล้วเอาสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องโทสะนั่นนะครับมาพิจารณาแล้วก็เห็นอนิสงในการละโทษตามที่กล่าวแล้วนั้นแล้วละด้วย ท, ทางคะ เป็นต้นในส่วนเบื้องต้นควณควายให้เกิดวิปั ส, สนาแล้วละไม่ให้มีส่วนเหลือด้วยตติยมัตบทว่ามักคิตาเสได้แก่เป็นผู้ลบล้างคุณของผู้อื่นคือป้ายร้ายความดีของผู้อื่นอธิบายว่าเป็นผู้ขจัดคุณแม้ของตนจากการที่ลบล้างคุณของผู้อื่นนั้นด้วยถ้าเราตำหนิเขาในที่ที่เป็นความดีเนี่ยนะครับดูหมิ่นเยียดยามก็เท่ากับดูหมิ่นตัวเองด้วยใช่ไหครับ เพราะไรเพราะว่าเหมือนกับที่ว่าจับอุจจาระคว้างปลาผู้อื่นผู้ที่จับก็ต้องเปื้อนก่อนเป็นอันดับแรกผู้ที่ลบลูดูหมิ่นคนอื่นเขาก็เท่ากับตำหนิตัวเองด้วยนะเพราะทำด้วยจิตที่เป็นโทสะขณะนั้นก็บาปได้เกิดขึ้นแล้วในใจของผู้ที่ดูหมิ่นหรือตำหนิเหยียดหยามนั่นลักษณะลักษณะนั้ น, น, นให้ร้ายป้ายสีคนอื่นคนนั้นก็บาปก่อนนั่นแหละเป็นคนแรก ถ้าหากว่าละได้แล้วก็ไม่ต้องกลับมาสู่โลกนี้อีกในการไหนๆ น, นะครับคําว่าละนั้นเป็นชื่อของประธานะหรืออริยมรคนั่นเองนะโทสะก็ฝักฝ่ายแห่งสมุทัยสัตว์นะครับนะนะเพราะฉะนั้นอริยสัตก็พระองค์เท่ากับพระองค์ประกาศอริยสัจแล้วนะครับถ้าปฏิบัติตามนี้ก็สามารถบรรลุมรคลได้นะครับแต่ละสูตรนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ปฏิบัติถูกกับอัธยาศัยสามารถให้ตรัสรู้มรคนิพพานได้นะครับ ถามว่าตรัสในลักษณะนี้เท่ากับวิปัสนาข้อไหนครับเท่ากับพระองค์ประกาศวิปัสนาด้วยไหมนะครับโทสานี้อยู่ในกายเวทนาจิตหรือธรรมะอยู่ในจิต อ, นะอยู่ในธรรมะนะครับประเภทนิวรทั้งหลายแหลเป็นต้นนั่นเองนะครับ <ใน S 1> ประเภทธรรมานุปัสนานะครับรเออถ้าตัวจิตนี้ก็เป็นวิญ ญ, ญาณขันธ์อันนี้เน้นไปที่ตัวเจตสิกนะครับอ่ะนะ สัญญาขันกับสังขารขันเนี่ยนะครับเป็นธรรมานุปัสสนานนะครับก็เป็นการประกาศอริยสัจแล้วนะครับ